สีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการธรรมะรับอรุณรายการธรรมะรับอรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอการสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ไพโบลอภิปุโ น, โนวัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินธุวณิชรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ ปรุณสวัสดิคท่านฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมราบรุนเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นชาวันทิตที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ําเดือนห้าปีขาล น, นะคะก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะจะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรบยศสอาดทิโภพาสู หรือท่านพระครูสิทธิปภากอนท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะได้มาสนทนาธรรมะในประเด็นหัวข้อที่คิดว่าเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างๆนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเมษายอย่างที่ได้กล่าวเรียนแล้วนะคะ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะอีกสามวันก็จะถึงวันที่13เมษายนก็จะเข้าถึงช่วงการเฉลิมฉลองวันสงกรา น, นะคะ อ่าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนั่นก็จะเป็นวันหยุดยาวเลยนะคะที่คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านส่วนหนึ่งก็จะมุ่งที่จะทําบุญนะคะอีกส่วนหนึ่งก็อาจจ ะ, ะคิดว่าจะไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนอย่างไรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของไทยหรือเทศกาลมหาสงการกันนะคะอย่างที่ทางรัฐบาลได้กําหนดแล้วคะ่ะท่านผู้ฟังค่ะว่า ทุกๆวันที่13เมษายนก็จะถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติส่วนวันที่14เมษายนนา้นเนี่ยก็ถือเป็นวันครอบครัวนะคะอันนี้ก็คงจะด้วยจิตมุ่งหมายที่ว่าอยากให้พี่น้องชาวไทยเราทุกหมู่เหล่านะคะได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราในเทศกาลมหาสงกรานนั้นเป็นวันที่เราจะาระลึกถึงพระคุณของท่านผู้สูงอายุก็คือบรรดา คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรารวมทั้งได้หันมาอยู่กับคนในครอบครัวของเรา สร้างความรักความสามัคคีเป็นสุขร่วมกันในวันเฉลิมฉลองวันปีใหม่นะคะเช้าวันนี้ในรายการธรรมารา บ, บุรุญจึงจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ภัยบุญอภิบุนโนแล้วก็สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวกันนะคะว่าในช่วงวันสําคัญอย่างนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนของเราควรจะตั้งจิตไว้อย่างไรเพื่อให้เกิดกุศลแล้วก็สนองสิ่งที่ทางรัฐบาลได้มุ่งหวังไว้ นะคะก็คือกําหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุและก็วันที่14เมษายนนั้นเป็นวันครอบครัวค่ะกลับน้ำส ก, การเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าขาโยมเติอนมายาวเลยนะเจ้าค่ะว่าเรากําลังจะเข้าช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็วันผู้สูงอายุกับวันครอบครัวพระอาจารย์มีธรรมะดีๆที่เป็นพุทธวจนะขององค์พระสัมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเรียนถ้าผู้ฟังทางบ้านยังไงบ้างเจ้าค่ะคือเรื่องของ บุคคลผู้อเป็นผู้มีอายุคือหมายว่ามีอายุมากผู้สูงอายุออา่แล้วก็คือในเรื่องเนี้ยบุคคลจะถามอาจจะถามวาเอพระพุทธเจ้าได้กําหนดวันผู้สูงอายุไว้ในสมัยพุทธกาลหรือเปล่าก็ไม่ได้มีแน่นอนล่ะไม่มีแน่นอนเพิ่งจะมาทำกันในสมัยนี้ทีนี้ถามว่าเอาแล้วผู้สูงอายุเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อ่าพูดถึงบุคคลเหล่านี้ไว้อย่างไรค จะมเราควรจะทําปฏิบัติอย่างไรกับท่านอย่างนี้นะอบุคคลผู้สูงอายุเนี่ยก็อย่างพวกมา น, นาบิดาใช่ไหมปู่ย่าตายายพวกนี้นเราต้องทราบว่าอบุคคลเหล่าเนี้ยเป็นบุคคลที่เลี้งดูเรามาใช่ไหมเป็นบุคคลที่ควรยกย่องในเรื่องนัยนั้นเอาอยัางไม่ต้องถึงบิดามารดาก็ได้เอาอย่างเจ้านายเราเองนะจะเป็นหัวหน้า ง, งานหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลุงป้านะ้าอาที่ไม่ใช่ เชื้อสายโดยตรงก็ตาม<ะ>เนี่ยหรือหรือผู้นําประเทศที่เรามีความเคารพเขาเนี่ย<ม>คุณเห็นเขาคุณเดินผ่านเขาคุณยกมือไ ห, ไหว้ทำไมไหวแน่นอ น, เ, นเพราะว่าถามว่ า, วาไหวเพราะอะไรไหวเพราะว่าหวังเงินเดือนหรือว่าหวังตําแหน่งหรือว่าปวังอะไรมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมใช่ที่พระเจ้าให้ยกมือไหว้เนี่ยให้ทําความเคารพเนี่ยให้ทําอัญชลีเนี่ยด้วยอาศัยเหตุที่ว่าบุคคลผู้เนี้ยมีศีลมีศีลธรรมใช่ค่ะคุณไหว้เขาเนี่ยเป็นเพราะเหตุว่าเขาเป็นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นคนโอบอ้อมอารีเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนดูแลลูกน้องเป็นคนเห็นอกเห็นใจเป็นคนมีความเมตตาคุณจึงยกมือไหว้เขาถูกไหมเจ้าค่ะไม่ใช่เพราะว่าเขา<อ>เป็นคนรักขโมยหรือเขาเป็นคนโอ้ปากอย่างกไฟกไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะเพราะาเรายกย่องคุณธรรมที่ท่านเหล่านั้นมีเราจึงบูชาเขาด้วยการยกมือไหว้เจ้ค่ะบูชาด้วยด้วยอะไรได้อีกบ้างของหอมไดนะ้เอาดอกไม้ไปให้เจ้าค่ ะ, ะบูชาด้วยสิ่งของได้เอาของฝากไปให้ บูชาด้วยปิยาวาจาได้ผู้จายสวยงามอ่อน้อมท่อมตนนะเค่ะปฏิบัติอย่างดีกับเขาบูชาด้วยการเข้าไปรับใช้ปฏิบัติได้นะคือบูชาคุณธรรมของท่านเหล่านั้นเจ้าค่ะเข้าใจไหมพราะฉะนั้นนี้คือการบูชาที่ถูกต้องในการบรบรพับบุษเอย่างพวกสารพระภูมิที่บ้านหรือว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีที่บ้านเนี่ถามมักคุณบูชาเขาเพออะไรมันต้องมีเหตุนะเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทรงคุณธรรมอยู่ในตรงนั้นถามว่าคุณธรรมนั้นคืออะไรเราต้องทราบหมายความว่าถ้าเราบูชาแบบตาบอดเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นปศีลพัตตปรฏมาตอืม ค, คือการรูปคําศีลและข้อปฏิบัติอย่างผิดผิดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นไปเพื่อสมาธิมีทิฏฐิและตัณหา ร, รูปคำคแล้วเราต้องทราบเหตุผลอย่างอาจารยเคยพูดหลายครั้งพระเยซูคริสต์เนี่ยหรือว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาด้วยคุณธรรมคือ ค, รร ค, อความเมตตาของท่าน นะขนาดโดนชาวยิวที่เขาทำร้ายชนิดที่ว่าลงโทษ ด, ด้วยวิธีที่หนักที่สุดในสมัยนั้นคือการตรึงกังเขนเอาตะปูตอกน ะ, ะทั้งเป็นๆ เ, เนี่ยก็ยังมีจิตมีความรักความเมตตากับชาวยิวที่แบบนี้พระเจ้ายกย่องบอกว่าแหมดีมากๆะนะเพราะฉะนั้นเราก็บูชาหรือว่าะระลึกถึงบุคคลเหล่านี้ได้ด้วยคุณธรรมของท่านะนะไม่ใช่ความที่เขามีอาวุธส ม, มีอายุมากกว่าเราหรือเพียงแค่ว่าเขาเป็นเจ้านายเราไม่ใช่ เนะพระเาะฉะนั้นเราต้องปรารภเหตุให้ถูก<ช>นะอันนี้ประการที่หนึ่งนี่เราพูดถึงผู้สูงอายุทัท่วไปเจ้ค่ ะ, ะคุณจะไหวแต่ละครั้งคุณจะบูชาบุคคลผู้นี้แต่ละครั้งเนี่ยคุณจะไปหาไประลึกถึงท่านเนี่ยอ่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าไม่จาเป็นต้องเดินทางไปก็ได้ทํายังไงถึงจะเรียกว่าบูชาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคุณคนที่ปฏิบัติเนี่ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยชื่อว่าบูชาลับเจ้ค่ะเพราะฉะนั้นสมมุติคุณไม่ต้องเดินทางกับต่างสังหวัดก็ได้อยู่กร แต่หรืออยู่ที่อยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ต้องเดินทางแต่คุณเอาคุณธรรมของท่านเนี่ยมาไว้ในจิตของเราอืมเจ้าค่ะเขามีความรักความเมตตาใช่ไหมถ้าคุณยังด่าอยู่ว่าอยู่เกลียดอยู่โกรธอยู่ไม่ถูกะเราสละพวกนี้เราเอาคุณธรรมความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนซื่อตรงใจสะอาดเป็นคนมีศีลเนี่ยมาไว้ในจิตของเรา ช, ชื่อว่าบูชาแล้วอืมเจ้าค่ะอ่าไม่ต้องบูชาด้วยสิ่งที่เป็นอมิตรนั่น ไ, ไม่ต้องบูชาด้วยของแต่บูชาด้วยการปฏิบัติ <Okay. S 2> อันนี้เยี่ยมเยี่ยมกว่าเรียกว่าปฏิบัติบูชา อ, <Okay. S 2> อันนี้คือกรณีของอผู้ที่มีอายุทั่วไปมัดฑ <Okay. S 2> นะปีดาที่อยู่เป็นสายโลหิตเดียวกันโอ้โหนี่ยิ่งปุงคุณมากมัณฑะปีดาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้กายนี้แก่เราบังรุงเลี้ยงนะแสดงโลกนี้แก่เราบงรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่เราเกิดมาอุแวอูแวนะคุณเตินใจ ไม่ให้นมไม่ให้กินข้าวตายเลยนะตายไปแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องพอครึ่งวันหรอกไม่โตอ่าแค่สี่หชั่วโมงก็จบแล้วนะเจ้าค่ะเพิ่งแค่ตรงเนี้ยคุณคุณทดแทนไม่หมดเจ้าค่ะทั้งชีวิตแตเอาแค่คืนเดียวนี่นะนี่มันต้องเป็นปีๆนะอ่าเรายังไม่ต้องพูดถึงมารดาที่ต้องขาปวดกระดูกปวดอ่าระบบการทํางานในร่างกายผัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปหมดะนะความเจ็บปวดอย่างมหาศาลในขณะนั้นอันนี้โอ้โหยิ่ง ไม่ต้องเปรียบเทียบเลยตอนที่ให้ชีวิตมาเจ้ะค่ะแล้วก็การบำรุงเลี้ยงอย่างเงี้ย <Okay. S 2> บิดามานะเอาแค่ไปพาไปเที่ยว <Okay. S 2> แ, แสดงโลกนี้กับกุลบุตรเนี่ยแสดงโลกนี้อันนี้คืออันนี้ซื้อของเล่นให้บุญคุณแค่เนี้ยทดแทนกันไม่ได้นะ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นทำให้เราในขณะนั้นเนี่ยเราหมดโอกาสเลย ค่ะ <Okay. S 2> เราไม่สามารถย้อนกลับเวลาไปแก้ไขหรือว่าตอบแทนบุญคุณ่านได้คือมันผ่านมากล้คือผ่านมาแล้ว <Okay. S 2> พราะฉนั้นรุชาเนี่ยจึงเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเอาเอาบุคคลเช่นมารดาปิดาเนี่ยผู้ที่คนยกย่องนี่เอามาวางไว้บนบาสเอาเอามาวางไว้บนบาแบกตลอดหนึ่งร้อยปีสมมุติจากนี้ไปท่านจะมีอายุอีกร้อยปีทั้งสองคนนะ <Okay. S 2> เราอาจจะมีอายุไปอีกร้อยปีเอาวางไว้บนบาให้อุจจาระปัสสาวะใส ป้อนข้าวป้อนน้ําอาบน้ำอะไรอยู่บนบ่าหมดทําตลอดร้อยปีก็ยังตอบแทนบุญคุณท่านไม่หมดอืมชัวค่ะนะก็ยังตอบแทนบุญคุณท่านไม่หมดเพราะพระคุณท่านล้นเหลือเลยเามากเรียบเสมมของลูกใช่ใชบางคนไม่เข้าใจนะว่าให้อะไรแค่แสดงโลกนี้กับบุตรหรือว่าแค่ให้กิดชีวิตบุญคุณมากขนาดนั้นเลยเหรออืมชัวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะชัวค่ะสมมุติว่าตอนนี้พ่อแม่เราเนี่ย ช่วยเหลือตัวเองท่านพอได้ใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> พอท่านช่วยเหลือตัวเองท่านไม่ค่อยได้แล้วป่วยเราต้องช่วย <Okay. S 1> อันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรคอยบังรุงเลี้ยงเมื่อยามท่านมาเมื่อยามท่านแก่เฒ่า <Okay. S 1> เป็นหน้าที่ของเธอถ้าเธอทําไม่ได้เธอต้องขวนขวายหาทําหมายความว่าตัวเองทําไม่ได้ใช่ไหมต้องจัดหามีใครมาทําผัดเปลี่ยน ที่น้องมาทําจ้างคนมาทําหรือให้ไปอยู่ในสถานที่ที่สามารถทําให้มีการบํารุงเลี้ยงท่านในยามที่ท่านแก่เท่าเจ็บไข้ได้ <Okay. S 2> อันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรนะหนึ่งในห้าอย่างอย่างอย่างแรกเราพูดไปเมื่อวานนี้ก็คือทําทักษิณาทานอุทิศท่านเมื่อท่านทํากาลารไปแล้วใช่ไหมอันนี้คืออย่างหนึ่งก็คือคอยบํารุงเลี้ยงเมื่อท่านเจ็บป่วยไข้แล้วก็เวลาที่แก่แล้วใช่ไหมนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องทําเราต้องท่านต้องทํากับเราเนี่ยเป็นปีปี อ, อ, อุจระาปะสัสสาวะเองก็ไม่ได้นะต้องจับให้ลุกให้เดินให้นั่งให้นอน น, นอนจมอุจระาปะสัสสาวะตัวเองอยู่ท่านทำให้หมดเพรา ะ, ะนั้นเราทำแค่นี้มวนเปรียบเทียบกันไม่ได้ <S S S คือนี่วิธีที่จะเปรียบเทียบได้ทำยังไงก็คือถ้ามารดาบิดาของเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าศีลคืออะไระไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราทำให้ท่านเนี่ยเป็นคนจากไม่มีศีลเป็นคนมีศีล โอ้โหดีมากทําให้ท่านจากคนที่มีทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องอนรกสวรรค์ไม่รู้ว่านิพพานมีจริงหรือว่าไม่สนใจเรื่องทําดีได้เดิมช่วยได้ช่วยให้มาเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเลสสสีมีทำเบื้องลึกขึ้นไปมีการนั่งสมาธิมีโอโ้ดีมากจึงจะเรียกว่าตอบแทนกันได้จริงๆแล้วก็ให้ถ้าท่านไม่มีสมาธิให้ท่านมามีสมาธิถ้าท่านไม่มีปัญญาให้ท่านมามีปัญญา เพราะอะไรคุณตนใจคนแก่เนี่ยนะคนสูงอายุเนี่ยนะเป็นไม้ใกล้ฝั่งอจิตของเขาเนี่ยจะรู้ว่าเขาจะต้องตายเร็ ว, รวนี้ใกลไกลตายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ ย, ยจิตใจเขาจะว้วาวเวมากว้าวเววงเงเวงแล้วก็ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ทําบุญสร้างกุศลมาก่อนมันจะอกังวลใจมันจะ ปฏิวัติหมดสิ่้งหดหูโรมเสียงง่ายอารมณ์ผันผวนไวแล้วมาบอกว่าเป็นไวทองเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเออยู่ที่ตัวเองต้องสร้างความดีทั้งนั้นทุกคนก็เป็นวัยทองกันหมดสิมันไม่ใช่ใช่ไหมมีคนดีก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราสร้างกุศลบาเพ็ญบุญเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสให้ท่านทำเนี่ยถึงจะดีเจมีผู้ปฏิบัติมาที่ัป่าดอนไห่โศกนะเขาบอกว่าลูกเขาปฏิบัติไม่ดีเขาด่าว่าพ่อแม่แล้วก็ไม่เชื่อฟัง อใช้พูดคําพูดไม่ดีค่ะเขาถามคําว่าแล้วตอนสมัยพ่อตัวเองเป็นลูกอ่ะแล้วตัวเองมีพ่อทาบุบพ่ อ, อยังไงะค่เขาบอกก็พ่อเขาดื่มเหล้าแล้วก็ทําไม่ดีเขาก็ต้องด่าก็ต้องว่าอืคามคะก็ถ้าตัวเองด่าว่าพ่อตัวเองแล้วทําไมาลูกตัวเองเราจะไม่หวาดด่าว่าเราเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนเหมือนเป็นกรรมมาตอบสนองเลยค่ะทีนี้ถามว่าถ้าบิดามารดาบิดาเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้เรียบมีศีลธรรมเนี่ยเราจะทำยังไงหน้าที่เราไม่ได้ด่าว่าท่านนะหน้าที่คุณเนี่ยยิ่งจะต้องคอยบำรุงเลี้ยงท่าน <Okay. S 2> หาอาหารข้าวห า, หาน้ําประคบประ ง, งมคอยบ่วยก็พาไปหาหมอ <Okay. S 2> มีอะไรดีก็หาให้กินนะมีอะไรมีที่ไหนไปเที่ยวดีๆก็พาท่านไปเที่ยว <Okay. S 2> ถึงจะถูกแล้วให้ท่านมีศีล น, นะก็น า, <ม>าท่านไปสู่ที่ถูกต้อง บินสินธรรมใส<ช>ิ่งที่ดีให้มีที่ยืดเหนี่ยวจิตใจด้วยาศาสนานะเจ้าคะเพราะฉนั้นถ้าท่านทำไม่ดีอย่าไปว่าท่านเล ย, ยไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปทำได้ให้บำรุงเลี้ยงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะเพราะพ่อแม่บางคนก็ไม่ใช่ว่าจะดีหมด มีส่วนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมส่วนไม่ดีเราก็พยายามปรับแก้ให้ดีโดยที่ให้อยู่ในมาร์กไม่ด่าไม่ว่านะแต่ถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านมีคนมีศีลแต่ท่านมีศีลแล้วแต่ยังไม่เคยนั่งสมาธิให้มานั่งสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วก็มึนๆตึงๆไม่เห็นอะไรก็ทําให้ท่านมีปัญญาจ้ะะตัวเองต้องทําด้วยนะ่ค่ะถ้าตัวเองยังทําไม่ได้แล้วไปบ่อกคนอื่นทำเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยพอในโอกาสที่ ก็ดีน ะ, ะรัฐบาลให้เราลึกถึงผู้สูงอายุนะก็จะได้ออมีหมวดทำรายละเอียดอย่างนี้ที่พระเจ้าได้กล่าวถึงพูดถึงเอาไว้เพราะว่าคือมารดาบิดาเนี่ยงยเราต้องยกย่องท่านไม่ว่าท่านจะดีจะไม่ดียังไงเนี่ยท่านก็เลี้ยงดูเรามานะลร <c oughs> ุ ง, <c oughs> งแค่สามสี่ปีแรกเนี่ยหรือแค่แม้แต่ช่วงเวลาคลอดออกมาแล้วเรายังไม่ตายจนมาถึงโตงเป็น จนผมจะเหงอป่านี้แล้วเนี่ยะมันทดแทนกันไม่หมดจริงๆคุณเฉินใจมันอธิบายด้วยคําพูดในยากมากเอาแค่ความรักความเมตตาของแม่ที่เห็นลูกมาอยู่ในอ้อมอกเนี่ยจะเกลียดลูกรักลูกยังไงก็ตามเนี่ยพอลูกคลอดออกมาอยู่ในอ้อมอกแล้วเนี่ยจิตใจแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้เจ้าค่ะเจเข้าใจไหมเจ้าค่ะเรายิ่งต้องรักเทิดทูนบูชาทําการไหว้มาณาบิดาผู้สูงอายุอย่างดียิ่งเจ้าค่ะ ยกไว้บนบ่าก็ยกเลยเจ้าค <Okay. S 2> ่ะออทุนไว้็นหัวก็ทุนด้วยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้ว่าแบกไว้เป็นร้อยปีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าด่าอย่าว่าแล้วถ้านําไม่ดีแนะนําทางที่ถูกที่ควรให้ <Okay. S 2> ตัวเองต้องทําด้วยนะเจ้าค <Okay. S 2> ่ะอันนั้นก็จะทําเป็นเหมือนก็เป็นการอสนองหมายถึงว่าตอบแทนพระคุณของท่านนะจ๊ ะ, ะทีนี้เอมีท่านผู้ฟังทางบ้านอ่าท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ใช้นามว่าเป็นผู้ ศึกษาปฏิบัติเนี่ยได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของอพระอาจารย์ภัยูรุษพิบูนโนเจ้าค่ะยมก็เลยอยากจะขอนำ ม, มาเรียนถามเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันในจงนี้เพราะว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเพราะว่าท่านเขียนมานะคะว่าเป็นท่านเนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็คือหากชีวิตเราอันนี้เป็นคำพูดของท่านผู้ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัติ <c oughs> เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์เพ e ยวธร a มะคอของพระอาจารย์ไพบูลนะคะขออ น, นีญาท่านผู้ฟังนำมาอ่านเลยว่าท่านบอกว่าข้อที่หนึ่งหากชีวิตเราเนี่ยเดินมาใกล้ปลายทางแล้ว <c oughs> คื อ, อเกือบห้าสิบปี ตายายพ่อแม่บุคคลที่รักแล้วก็หวังดีต่อเราเนี่ยก็ตายไปหมดแล้วเหลือก็เพียงแต่ญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยจะมีศีลพูดจาเชื่อถือไม่ได้พึ่งพาไม่ได้จะติดต่อมาเฉพาะเมื่อต้องการความช่วยเหลื อ, อหรือว่าเงินทองเราไม่มีเงินมีทองหรือว่าต้องการความช่วยเหลือทางด้านเงินทอง เราใช้ชีวิตอยู่ในเมือง<ม>อ่าเพื่อนบ้านก็เหมือนกับคนแปลกหน้านะเจ้าคะ<ม>แล้วก็มีแต่จะคอยแก่งแย่งชิงดีเอารัดเอาเปรียบ<ม>เพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยจะมีดัง<ม>นั้นก็บอกว่าเราควรจะทําอย่างไรเพื่อให้ชีวิตอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข<ม>นั่นเป็นข้อแรก<ม><ม>นะเจ้าคะอ่าก็เลยอยากจะขอกาาา ร, ราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูญอภิพุโนโดได้ชี้แจงให้ท่านผู้ใช้นาว่าผู้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยได้รับฟังทางออกตรงนี้แล้วก็คิดว่าคงจะตรงกับใจของท่านผู้ฟังอีก หลายหมื่นหลายแสนคนเจ้าค่ะเขาคิดว่ามีท่านผู้ฟังที่เป็นลักษณะนี้คอายุตัวเองก็ล่วงเลยผ่านมาแล้วใช่ไหมรู้สึกเราอายุมากขึ้นอ่าคนที่เราเคารพนับถือบูชาก็ผ่านไปแล้วนะคนที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่เห็นจะดีสักคนอย่างเงี้ยในชีวิตฉันจะไปยังไงจากนี้รู้สึจะว่าเวนี่นะคะชีวิตฉันจะเดินไปทางไหนก็อนดับแรกเนี่ยอบัญญีทางออกอยู่สองทางคุณเดินใจเจค่ะทางแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พูดถึงกัลยาณมิตรอยู่คือเพื่อนดี เพื่อนดีเนี่ยมีอยู่สามสามนัยยะ ค, คือคนเราเนี่ยอมันต้องมีคนที่คอยแนะนําไปทางดีแต่ถ้ามีเพื่อนชั่วนี่สวยมากนะไปทางไม่ดีถ้ามีเพื่อนดีนี่โอ้โชคดีมหาศาลนะไปทางดีได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเพื่อนเนี่ยคือคาราวาสก็ได้แต่ที่เป็นคนมีศีลไม่มีใช่ไหมหามใหม่ซะหาใหม่ไม่ได้ทําไงอ่ะดูยังไงก่อนดูยังไงก่อนคือเป็นคนมีศีลมีจัคะคือการให้ในะมี อมีศีลมีจาระมีปัญญาแล้วก็มีมีศรัทธาไล่ไปแท่ถูกก็คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคือมีศรัทธามีความเชื่อว่าเอ้ยคำสอนพระเจ้านี่จริงนะมีศีลก็คือมีศีลห้านั่นแหละมีจาระก็คือรู้จักให้จ่ายเป็นผู้ควรแก่การขอรู้จักจะแยกแจกทานมีปัญญาในการที่เห็นการเกิดดับบ้างสี่อย่างเนี้ยถ้าใครถ้าคุณที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัติเนี่ย หือท่านู้ฟังท่านอื่นเนี่ยเจอเพื่อนแบบนี้นะให้รีบขบไว้เจอค่ะอืมหายากนะสมัยนี้เจอค่ะโอเคอาจจะหาได้อยู่ตามวัดตามมาก็ยังมีค่ะหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆริงหาไม่ได้จริงๆให้มาอย่างที่สองให้เอาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ที่ตั้งมั่นในศีลที่เรามีความศรัทธาเลื่อมใสในบุคคล น, นั้นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรได้เจอค่ะพระเนี่ยจะไม่กดไม่ชวนคุณไปกินร่หมอเปียนะเจอค่ะอ่าแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีศรัทธานในพระพุทธเจ้า <Okay. S 2> แล้วก็มีปัญญาในใ น, ในตามลําดับตามภูมิของท่าน <Okay. S 2> เพื่อให้เอาครูบาอาจารย์ที่เราเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยเป็นที่พึ่งก็ได้เ <Okay. S 2> นะพราะว่าจริงๆพระพุทธเจ้าพูดอีกในายาันหนึ่งก็คือให้เอาพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตร <Okay. S 2> ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะก็คือให้เอาอย่างที่สามก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรพระพุทาต่อไว้นะกัลยาณมิตรของเราในธรรมะวินัยนี้ก็คือมรรคมีองค์อย่างี เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ศึกษาปริมาณเนี่ยจเจนได้ว่าเอ๊ะถ้าเราครูบาอาจารย์เราก็อยู่ไกลครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออาจจะอยู่ทางจังหวัดเราอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้น ะ, ะปีๆหนึ่งอาจจะไปพบทั้งบ้างพูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมะบ้างอย่างนี้นะอย่างไรก็ตามในจิตของเราให้มีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นที่พึ่ง น, นี่คือนี่คือในยะแรกที่ให้มีสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นรูปประธานคือตัวบุคคลก็ไดจจ้จะเป็นคราจะเป็นพราก็ได้หรือจะเป็นนามประธานคืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นเพื่อนได้ อยู่บ้านฉันก็มีลหมหายใจเข้าออกของฉันนี่แหละเป็นเพื่อนนั่นก็คืออรีย ม, มาร์มิ อ, องแปดละลหมหายใจเข้าออกคืออรีย ม, มาร์มิ อ, องแปดนะค่ือมีสติอยู่ในนั้นหรือในยะที่สองพระพุทธเาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าให้เป็นชา้างเป็นช้างนี่เป็นยังไงเป็นช้างเนี่ยคือพรพุทธเาใช้คำว่าช้างมาตางงังค่ะคือช้างใหญ่ที่ไปไหนเนี่ยไปตัวเดียวอืมเพราะว่าช้างใหญ่ที่ไปตัวเดียวเนี่ย ลำคานช้างเล็กๆที่เขาจะมาเล่นทําให้ฝุ่นคลุ้งบ้างฤฤกินต้นไม้เลือ <ฤฤ S 2> นไม้ให้ต้นไม้แตกหักเว้ยลำคาญพวกนี้ฤฤจึงหลีกไปตัวเดียวฤฤช้างตรงนี้มีคุณสมบัตินะคือเป็นช้างใหญ่ช้างใหญ่แล้วก็เป็นช้างอาชาาในฤฤเปรียบเทียบยังไงพระชาะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีจิตใจเนี่ยที่มีกําลังมีศีลนี่เป็นไงคือเป็นผู้ที่ โทษภัยเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสีคขั้บททั้งหลายนะสีเนี่ยไม่ใช่แค่ห้าข้อฉันทำให้ยิ่งขึ้นไปได้เช่นว่าดื่มน้ำก็นั่งดื่มนะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะสองนะเป็นช้างที่ลักษณะว่าอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายคืออดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเพราะนั้นเราก็อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลาย อันดับที่สามเนี่ยเป็นช้างที่ฝึกมาดีแล้วหมายความว่าให้ไปสู่ทิศใดที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ไปในฉพันธ์นะเปรียบเทียบกับภิกษุเนี่ยหรือบุคคลที่เป็นช้างมาตังค์คะเนี่ยควานช้างสั่งให้ไปในทิศที่ไม่เคยไป ใ, ในสังสารวัฏ น, นี้มีที่หนึ่งที่เราไม่เคยไปคือนิพพานก็ไปออืเพราะฉะนั้นให้เราเป็นช้างมาตังคค่ะคือไปคนเดียว เห็นได้ว่าการกระทําอย่างช้างมาตังคะก็คือให้เอาอริยมรรคมืองแผ่เนี่ยเป็นเพื่อนซะไปด้วยการจับตัวนี่แหละเพราะว่าทธรรมนเนี่ยไม่เคยทำร้ายเรามีแต่ทํำให้เราดีทําให้เราสูงทําให้เราละเอียร์รอบครอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหาคนที่อ่าบุคคลนะตัวเป็นๆที่จับได้ไม่มีเลยก็ให้เอาธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนเราไปกับธรรมะอยู่กับธรรมะพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างนี้จะเรียกว่าจะสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ แล้วก็อ่าคนที่เป็นอย่างเนี้ยจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะเราเนี่ยแหละจะเป็นเพื่อนดีของคนอื่นได้เจ้าค่ะพอเราทําอย่างนี้แล้วนะคุณเตือนใจอมันก็จะมีกระแสออกไปกระแสนี่คือจิตใจที่สูงที่ดีของเราใช่ไหมแตเป็นความรักความเมตตาเนี่ยซึ่งตรงเนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาอยู่เป็นประจําเนี่ยมนุษย์ก็รักจะเป็นที่รักของมนุษย์จะเป็นที่รักของคนอื่นจะเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็ ภัยอันตรายต่า ง, า ง, างๆหลไยก็จะไม่เกิดขึ้นได้คนที่เป็นที่รักของคนอื่นเนี่ยก็คือหมายความว่าสิ่งอื่นที่ดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราเพื่อนที่ดีๆที่เราไม่เคยพบเจอก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมในเมตตาในสิ่งที่เป็นมัคแปบบซึ่งตรงนี้คุณต้องมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากถึงจะเรียกว่าเป็นช้างหมาต่างาได้ไปผู้เดียว สบายใจอยู่คนเดียวไม่ต้องมายุ่งยั่งกับพวกที่มาทําฝุ่นให้ตลบขึ้นหรือว่าทําต้นไม้กิ่งไม้หักอะไรเงี้ยะมันสบายใจกว่าพระเจ้ายังเคยตรัสนะคุณเตืนใจเวลาเราเดินทางไปไหนนะหมองไปข้างหน้าไม่มีใครมองไปข้างหลังไม่มีใครเราก็ยังสบายใจแม้การถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปห้องน้ํำก็สบายใจเฉิดไม่ต้องมีสนใจว่าใครจะมาตักบางทีเนี่ยแสดงทําอยู่เดี่ยต้องมันท่าทนนั่งกั้นปัสสาวะอุจจาระ มันเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นไปคนเดียวก็สบายใจอ่ะอืมแต่ให้มีศีลมีธรรมพกไปด้วยให้อยู่ในมัดเดินไปทางไหนก็ให้มีมัดแปดะะแมัดมงวแปดรับสบายแน่นอนค่ ะ, คะก็เรียกว่าคําตอบของท่านผู้ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินี้ที่ท่านถามว่าอควรจะทําใจอย่างไรเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขนั้ น, น, นก็คือการทําตัวให้เหมือนช้างมาตังค์ ตรงนี้แตมามองว่าเป็นโอกาสว่างด้วยาทางว่างเปิดแล้วาทาเลยก็สำหรับคุณผู้ใช้งานว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินี่ถ้าเผื่ อ, อยังคิดว่า อ, อย่างที่พระอาจารย์พัชบุญอภิปุ โ, โนได้สนทนาธรรมแล้วก็ให้คำชี้แนะมานี้เนี่ยยังรู้สึกว่าเอ๊ะท่านบอกอริยะไม่องแปดมีศรรมีลมีสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าท่านยังทำไม่ได้ก็เดี๋ยวนคิดว่าน่าจะไปอะลองเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัอดป่าดอนหายศุกที่จังหวัดอุดรธานียมคิดว่าน่าจะช่วยได้มากเลยนะเจ้าค่ะที่ว่าจ ะ, ะทาให้ฝึกจิตให้ ร, รู้สึกมีกลังขึ้นนะ เจ้าคะอันนี้ก็สำหรับในช่วงเดือนเมษายนนี้เราพูดคุยกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่ปฏิบัติศีลอยู่นะเจ้าคะป็นวันแรกนะสมมติปลายปลายเดือนนี้จะมีอีกใช่ไหมเจ้าคะก็วันที่30สบเมษาถึงวันที่8ดพฤษภาเจ้าคะก็จะมีรอบหนึ้งคือเดือนละครั้งในเดือน พฤษภาเนี่ยจะเริ่มวันที่30เมษายนถึงวันที่8พฤษภาเจ้าค่ะแล้วก็จะมีทุกเดือนด้วยใช่ไหมคะใช่เจ้า ค, ค่ะก็อยากจะฝากไว้สําหรับท่านผู้ใช้นํามว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินะคะลองไปกราบนัสการ์เ พ, พื่อเดี๋ยวไปคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโทภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหายโศกแล้วก็ไปเป็นลูกศิษย์ร่วมอ่าเรียกว่าหลักสูตรอบรมของพระอาจารย์เปยุบุณพี่ปุณโณที่วัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเดชันก็คิดว่าทําได้ดีขึ้นแล้วก็ท่านก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะคะก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขเลยนะคะที่จะดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขขึ้นก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับนมัส ก, การอขอบพระคุณแล้วก็อําลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะ่ะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในสัปดาห์หน้าคือวันเสาร์หน้าที่จะพูดคุยกันต่อไปนะเจ้าคะ่ะขออนุญาตกลับ ล้ำสการขอขอบคุณและกลาวลาพระอาจารย์ไัยบุญโอภิปุนโนไปพร้อมๆกันกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้าขาก ล, าลากา่าวอำลารเจ้าค่ะเด็นผ่ติดตามรับฟังรายการธรรมระรับอรุณได้ใหม่ในวั น, นุนี้เวลา5้านาิกาถึง5้านาิกาสานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ